บรรดาลูรักรไหลวันนี้เป็นวันที่22เมษายน2521เวลา9เิกา52นาทีแล้วก็ยังพักอยู่ที่ตะเวนชายแดงเขตแปกอำเภอทุ่ ง, งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่ตอนเช้ารู้สึกว่าวันนี้ร่างกายพอจะเป็นผู้เป็นคนกับเขามาบ้างเพราะว่าเด็กก็มีการตรากรัมทำงานหนักมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2520เอือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนสิเลยวันนี้ตอนเช้าเห็นว่าพอมีเวลา ว่าปรากฏว่าหลังจากตื่นนอนพักผ่อนในเช้ามาเก้านวิกาสี่สิบนาทีเสร็จมีสั ญ, ญลักษณ์พิเศษเกิดขึ้นคำว่าสั ญ, ญลักษณ์ก็คือความเตือนถึงประวัติภูมิประเทศในการที่ผ่านมาการเดินทางผ่านมาตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีถึงนครศรีธรรมราช ปรากฏประวัติทั้งปัจจุบันใไล่ปัจจุบันเืจออนาคใต้ปัจจุบันปัจจุบันอนาคตไกลปัจจุบันเจอข อ, อนํามาเล่าย่อยๆเพื่อสู่กันฟังไม่เยืนเยินนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตจังหวัดอุทยธานีที่เราอยู่กันคือพื้นที่ตั้งของวัดท่าสงเขตนี้ท่านบอกว่าเป็นเขตของเมืองสุโ ข, ขทัยเก่า แล้วก็สําหรับด่านที่ยันกับสุกร์กันดานยันกับเจ้ากรงศรีตยาก็ได้แก่เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุขโขทยัยและสําหรับฝ่ายกรุงศีตยาก็มีเมืองชัยนาธเป็นเมืองด่านเป็นอันว่าเราจะเห็นว่าเมืองไทยสมัยนั้นดูแล้วเป็นประเทศสองเมือง ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของเลวหรือว่าเป็นของดีก็ไม่ได้เลวก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติความเป็นไปตามแต่ละสมัยถ้าจกล่าวกันไปสุขโขทัยเป็นเมืองแม่เกิดขึ้นก่อนกรุงศรีติยาการมาแต่ทำไมคนไทยยังตั้งกรุงศรีติยากาขึ้นอีก เพราะว่าหลังจากเมืองแม่สุขโขทัยเกิดขึ้นแล้วคือเมืองไทยเกิดขึ้นสองจุดในตอนต้นตอนตอน้ตนจริงๆเป็นเขตขุงโยนกนครเป็นเมืองไทยที่ตั้งเอกลาัช จ, จากขอมถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆแล้วก็คนไทยสายเหนือที่เข้ามาจากประเทศจีน จะทิ้ว่าตามประวัติศาสตร์บอกว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ประเทศจีนอันนี้ก็ไม่จริงตามสั ญ, ญลักษณ์แห่งนิมิตท่านบอกว่าสมัยนั้นคนไทยอยู่เรียร่ยไรกันไปหมดพื้นฐานถิ่นเดิมจริงๆคนไทยอยู่ชายทะเลฝั่งแหลมทองแล้วก็เรียร่ยไรกันไปหาจริงกันเรื่อยไปในที่สุดก็ไปตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นการขยายเขต อยู่แถวประเทศจีนซื้อไปจากเขตเดิมแต่ก็ไม่ได้ไปหมดเป็นแต่เพียงไปหากิงกันเท่านั้นเวลานั้นยังไม่รวมกลุ่มยังไม่รวมกลอนจัดเป็นเมืองเป็นแต่เพียงว่าเป็นบุคคลบางเผ่าบางพวกถือสัญชาติถือพักคถือพวกมีสัญชาติเดียวกันพูดเหมือนกันมีวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน ถาย่ากล่าวการไปทีก็เรียกว่าเป็นคนแต่กลนเดียวกันนั่นเองให้ย้ายเขตขึ้นไปถึงประเทศจีนเมื่อทางโน้นเกิดการหากินไม่ดีมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขก็ขยับขย้ายลงมาแต่ว่าเวลาเป็นเป็นร้อยร้อยปีนี่คนเก่าที่ไปก็ตายหมดที่หลังก็เลยปรากฏคิดกันว่าคนไทยอยู่ในเขตของประเทศจีนมาก่อน แต่ว่าคนไทยท่้งกล่าวว่าที่เรียกว่าไทยมงเป็นไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนมากแต่เรื่องนี้จะเก็บไว้พูดทีหลังเป็นอันว่าระยะหลังนี้เมื่อคนไทยแยกเป็นสองพวกคือเขตสุขโขทัยหลังจากโยนกทศนครต้องสลายตัวเพราะคนที่มีเขาเขามีกําลังมากกว่าและมีอํานาจมากกว่า ต่อมาก็มาตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่รวมกำลังกันขึ้นยึดอำนาจจากขอมแต่วความจริงขอมก็ไม่ใช่ขมิญขอมก็ไม่แยกใช้จากของพื้นที่ทเดิมเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นเขามีอำนาจมากกว่าเรารวมตัวกันไม่ติดอาเม็กียนได้ทำลายพวกเราให้กลายเป็นทายของเขา หลังจากข่มกลุ่มน้อยคนไทยกลุ่มน้อยคือพวกขุนศีอันอินทราทิตกับพวกขุนพาเมืองรวมกำลังขึ้นมันได้ก็ยึดอำนาจจากของเป็นขเนขตคนไทยโดยเฉพาะไม่ยอมเป็นท่าของของหลังจากนั้นมาอาณาจาักรของไทย ก็ย่อนอำนาจลงคือหลังจากโยโนกตาครเมื่อพระเจ้ากรมมหารามีอำนาจปกครองแต่ว่าตอนหลังลูกๆ ก, กลับไม่มีความเข้มแข็งพอต้องเสียเขตให้แก่คนพวกหนึ่งไปถ้าต่อมาสมุทรสุโ ข, ขทัยจะได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่และในตอนต้นก็มีกำลังใหญ่เหมือนกันเช่นสมัยพวกขุนรามคำแหง มีกำลังใหญ่สามารถจะปราบปรามยึดเขตประเทศได้ทั้งสิงคโปร์และธามาริกัวายฝังพม่าด้านพระเอานดังขมอนก็เป็นของเรารวมอราจาักรเดียวกันกับบรราจาักรของไทยแต่ว่าบรรดา ล, ลูกของไปเจ้าพรมหาราชคนหนึ่งมาตั้งเชื้อสายเกิดขึ้นที่อำเภอโอทองที่เขาเรียกกันว่าเมืองโอทอง ในเขตของทวารในเขตของทวาราวดีตอนนี้เรายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านทิงเป็นนั้นว่าจุดนี้ตามประวัติศาสตร์เขาก็มีบอกเป็นนั้นว่าทราบว่าสุโขเมืองอุทัยธานีเดิมทีเป็นเขตของจังหวัดสุขโขทยัยประเทศสุขโขทยัยใช่นาดเป็นเขตของกรุงสิยุติยา และก็เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุขโขทยัยเชนาต เ, เป็นด่านของกรงุงศรีตธยามีพระเจ้าสามพญาเป็นนายด่านเป็นผู้ปกครองด่านเป็นลูกของกษัตริย์เดินทางผ่านมาจากวัดเข้าเขตอำเภอวัดสิงแห่งจังหวัดเชนาตผ่านมาอีกหน่อยหนึ่งเข้าเขตอำเภอสันบุรี สันบุรีนี้เดิมทีก็เป็นเมืองเมืองด่านของจังหวัดเรือของกรุงศรีอิยาแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองด่านของกรุงศรีอิยาปรากฏว่าเขตของสันบุรีเป็นเมืองโบราณมาก่อนรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเข้าแล้วต่อมาก็ตั้งเป็นเมืองไม่ทราบว่าเรียกว่าเมืองอะไร แต่ว่าเป็นเมืองใหญ่ทราบว่าก่อนที่จะเป็นเมืองด่างของกรุงศรีติญานั้นก็มีกครือสัตว์ผู้ครองนครสันบุรีนี้พีงเจ็ดพระองค์ที่ทราบก็เพราะว่าเคยเป็นนอนที่อำเภอสันบุรีมีบรรดาบรรพกษัตริย์บท่านหลายที่ตายไปแล้วมาปรากฏแห่้มาปรากฏให้เห็น่็กระบอกนามนามก็ลืมชื่อแล้วก็บอกสมัยบอกความเป็นอยู่คนพื้นที่ เป็นอนว่ากษัตริย์ในสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรมากจากตำแหน่งพ่อเมืองภาษียาก่อนก็ไม่เคยเก็บกันเป็นแต่เพียงว่ารวบรวมทรัพย์สมบัติได้มากใครหาทองมันได้ใครหาเงินมันได้ใครหาของมันได้ก็มาขายให้กษัตริย์กษัตริย์เป็นผู้รับซื้อผลที่บรรดาประชาชนทำได้ขึ้นมา แล้ว ก, กษัตริย์ก็คือพ่อค้านําของท่านหลายเหล่านั้นไปขายอย่างต่างประเทศสําหรับสมัยที่เป็นเมืองดั่งก็มีพระเจ้ายี่ิยาเปลูกคนทีสองลูกคนทีสองขึ้นราชาแห่งกรุงศรีพนครศรีอยยาเป็นเมืองดั่งเรื่องนี้เคยเล่าประวัติมาแล้วเลยยาชายนาฏเดินทางเข้ามาเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเห็นวัดท่าช้างและก็อำเภอเดิมบางเห็นวัดท่าช้างเขาแล้วเห็นอำเภอเดิมบางเขาแล้วก็นึกถึงบุคคลที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็คือเสือฝ้ายทำไมนั่นเสือฝ้ายเป็นผู้มีอำนาจมากในเขตนี้แล้วก็มีเสือย่อมมีเสืออะไรแต่เสืออะไรเสือไม้เหวสวนเสือดำ เสือคืมไหลายจะเสือห้าว่าเสือเสียก็หมายถึงว่าคนดุได้วยความจริงไทยเราจะพูดกันโดยธรรมมองเวหากรงศรีอิติยาคนดีสมัยก่อนไปหาสุขโขทัยก็ดีไปดูพระราชาทั้งหลายที่ปกครองตั้งแต่โยนกตะคอนกดีเจ้าอ้ายเจ้ายี่เจ้าสามพญาก็ตาม คนที่มีชื่อในประวัติศาสตร์เวลานี้โลกรักเจนเลยว่าท่านนั้หลายเหล่านั้นมีแต่ชื่อและก็มีจำนวนมากที่ชื่อก็ไม่มีคนจะจำได้สมัยที่ทรงชนอยู่ในะสมัยนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีรวมความว่าเป็นคนดีไม่ใช่คนเลว เป็นคนที่ชาวบ้านรักแต่ด้วว่าเวลานี้ท่านไปไหนบางท่านชื่อท่านยังปรากฏแต่ตัวไม่มีมีมากรายด้วยกันที่ไม่มีแม้แต่ชื่อตอนนี้นะ่ะลูกรักทั้งหลายจงจำไว้ว่าท่านกับเรามีสภาวะเสมอกันคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มีความเปลี่ยนแปลงเปใ น, นทำกลางแล้วก็มีการตกลายตัวไปในที่สุดเท่นกับเราที่เสมอกันเสมอกันโดยใจรักษณะเอือนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเมื่อมีความเป็นอยู่ต้องทำมาหากินทรงอาชีพเลี้ยงอาชีพทำงานกาันสุขบ้างทุกบ้างไปตามสภาพของคนที่มีชีวิตในที่สุดชีวิตก็สลายตัวไป จงจำไว้อย่าถือสัญลักษณ์แห่งร่างกายเกินไปอย่าถือทรัพย์สินมากเกินไปจงจำไว้ว่าเราจะต้องตายถ้าเรายังดีไม่พอตายแล้วเราก็เกิดเกิดแล้วเราก็มีทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกอย่างคนเกิดเป็นสัตว์เป็นทุกอย่างสัตว์เกิดเป็นสุรกายเป็นทุกอย่างสุรกายเกิดเป็นเปรตเป็นทุกอย่างเปรต เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นทุกอย่างสรร์นรกเกิดเป็นเทวดาสุขอย่างเทวดาเกิดอย่างพรมสุขอย่างพรมแจะสุขไม่นานคนที่สุขละความสุขนั้นมหาความทุกข์สู้ไปพระนิพพานไม่ได้นิพพานมีความสุขที่เป็นเอกันต์บรมสุขเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมจะหาความสุขอื่นใดสม่ำเสมอไม่มี การที่จะไปนิพพานได้นี้ก็ต้องถือความทุกข์ของคนอื่นเป็นเปิงครูแล้วก็มามองดูความทุกข์ของเราแล้วก็ดูคนดีเขามีความสุขคืององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความสุขแล้วท่านก็สอนให้คนอื่นมีความสุขคนอื่นได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นรับความฟังคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร และปฏิบัติแบบไหนเวลานี้เราคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นถึงเราแล้วทุกคนดังนั้นหากว่าบรรดาลูกรักทุกคนไม่พึงปราถนาในความทุกข์ต้องการความสุขพ่อคิดว่าเป็นเหตุไม่เกินวิสัยที่เจ้าทั้งหลายจะทำปฏิบัติได้เอาแล้วก็มาดูกันไปสมัยเสียฝ้ายเสียขึ้นเสียอะไรต่เสียอะไร ที่เขมีความยิ่งใหญ่ในเขตของสุพรรณบุรีคือตอนอำเภอเดื่มบางโดยเพราะอย่างยิ่งเสียฝ้ายเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นโจนรร้ายแต่ความจริงเสียฝ้ายไม่ใช่โจรร้ายนิสัยเดิมของเสียฝ้ายเป็นคนดีเป็นคนธรรมะธรรมโอดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ตประบัติเขาเล่าให้ฟังว่ากำนันหมดสภาพไปผู้ใหญ่ซึ่งผูใหญ่บ้านทึ่มยาปราถนาจะเป็นกำนันแต่ถ้ว่าคนเห็นว่าผู้ใหญ่ฝ้ายดีกว่าท่านผู้ใหญ่คนนั้นจึงได้หาทางเค่งฆ่าท่านผู้ใหญ่ฝ้ายโดยนําเจ้าหน้าที่มาบอกว่าผู้ใหญ่ฝ้ายเป็นโจนรฆ่ารล้นคนอยู่มีโทษมาก ไล่กินข้าผู้ใหญ่ฝ้ายเมื่อสินในที่สุดผู้ใหญ่ฝ้ายเขต้องเข้าป่าเมื่อความเจ็บช้ำเกิดขึ้นมากรรมที่เป็นอกุศลมันให้ผลก็ต้องคิดแก้มือกันนี่เป็นเรื่องของคนเป็นธรรมดากระหันกลับเข้ามาเขาฆ่าผู้ใหญ่นั่นตายในที่สุดผู้ใหญ่ฝ้ายเขกลายเป็นโจรฝ้ายและเสือฝ้ายแต่ว่าเป็นโจรและเป็นเสือที่มีอำนาจมากก็รู้จักหน้าถึงเธอดี เป็นคนมีใจจิตใจเมตตาอารีอ่อนโยนอ่อนช้อยเป็นที่รักขั้งคนทั้งหลายในสมัยที่เป็นเสืออยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีอำนาจใหญ่คนทั้งหลายมีเรื่องอะไรไม่ขึ้นหาอำเภอไม่ขึ้นหาตำรวจทุกคนไปขึ้นหาเสือฝ้ายบอกว่าดีกว่าไปหน่วยราชการแล้วเขาก็ให้การคุ้มครองทุกอย่างในเขตที่เขามีอำนาจ ใครจะมาคลมเห็น่เสียฝ้ายรับใจการหมดต้นค่าเกิดที่ดิไหนยกทัพไปปราบตามที่นั้นแต่ทว่าหลุดรักเสียฝ้ายเวลานี้ก็มีแต่ชื่อร่างกายก็สลายไปแล้วไม่ทราบว่ากระดูกองเสียฝ้ายไปอยู่ที่ไหนยังอยู่หรือหายไปไหนระยะเวาทางไม่ไกล เวลานี้หลายคนก็ไม่รู้จักเสียฝ่ายแต่ความจริงระยะการผ่านมาไม่ไกลเป็นระยะการแห่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นเห็นไหมคำว่าอนิจังที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมีจริงทุกขังเขามีความสุขในความเป็นคนดีแต่ในที่สุดอกุศลกรรมเหล่านี้เข้าสนองใจกลายเป็นโจรไป เขาทำดีแต่คนอื่นทำร้ายเขาก็ต้องกลายเป็นคนร้ายจำไม่ว่าโลกนี้มีอะไรไม่เที่ยงถ้าเราเกาะความไม่เที่ยงมันก็มีทุกข์แต่ถ้ว่าจะสุขหรือจะทุกขก์าตามอนัตตามันก็เข้ามาถึงย่ายิดอย่าถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะอยู่กับมัน ต่อมาการเดินทางจากอำเภอเดิมบางเขาเข้ามาถึงอำเภอนางบดหรือที่เราเรียกกันว่าอำเภอสามชุกสามชุกหรือว่าสาวชุกความจริงเดิมเขาเรียกคำว่าสาวชุกเพราะที่นี่มีสาวมากความจริงคําว่าสาวที่ไหนก็มีแต่สาวที่นี่อาจจะเป็นสาวที่มีสเสน่ห์เป็นที่พอใจของชายทั้งหลายมาก หนุ่มทั้งหลายชอบมาครัวเคลียอยู่ที่นี่จึงได้นามว่าสาวชุกต่อมาศับมันก็สลายตัวไปกลายเป็นสามชุกสามชุกก็เป็นเมืองสําคัญแม้ว่าเป็นเมืองย่อยในสมัยนั้นก็เป็นเขตด่านของเสียสองฝ่ายเกือเสียเกือผู้มีอํานาจฝ่ายตะวันตกกับผู้มีอํานาจฝ่ายตะวันออก แต่เขาเหล่านี้ยังมีลูกมีหลานอยู่พ่อจะไม่พูดถึงคนตะปางตะวันตกที่เป็นลูกน้องของเสือใหญ่จะข้ามมาตะวันออกไม่ได้เพราะฝ่ายตะวันออกจะรุกรานหากว่าคนฝ่ายตะวันออกจะไปทางฝ่ายตะวันตกก็อไปไม่ได้สมัยนั้นจะพ่อลูกน้องของเสือร้ายคือนายคือพรมกุลผู้เป็นใหญ่สำหรับคนท่านลายนี้ไม่มีอะไร เกศสามชกก็เป็นเตที่ต้องคิดเคตหนึ่งว่าเกลื่อนกลนไปในในฐานะบุคคลที่ประกาศตนเป็นเสียและจะเป็นแดนที่ต้องตี ง, ง่ายต้องหลับง่ายมีความม่องไหวมีความความคล่งองตัวมิเชนนั้นจะไม่พ้นอันตรายก็ <c oughs> จะขอผ่านประเมืองสามชกตอเมือน <c oughs> สามชกไปเพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องมันยาว <c oughs> ก็มีความความสำคัญมมากดูนะว่าท่านด้านทิศตะวันออกจะเป็นเขตของม้เหศวรเป็นด้านทิศตะวันตกเป็นเขตของเสือดำผู้เป็นใหญ่แล้วเดินทางต่อไปต้องเขตําเภอดสีประจันสีประจันนี้ก็ยังเป็นเขตของเสือม้เหศวรอยู่แลว้วสีประจันนามเดิมเพราะดินชื่อนี้แรกก็มันนึกถึง บุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นคํากรอนประวัติศาสตร์ประลามป ร, ราหรือในใยายก็คือคุณแผนคำว่าสีประจันเป็นหญิงคนหนึ่งในเรื่องของคุณช่างคุณแผนแต่ตอนนั้นเราจะไม่พูดกันพูดกันได้เพียงว่าสีประจันก็เป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งที่อ่านในเรสวนมหาราช ยาตราทับมาทำยุทธาถีกับพระมหาอวราชคู่ปรับแต่มีคนก็ถามว่าเจดียุทธาถีเป็นที่ทำยุทธาถีใช่ไหมนีม่ครั้งหนึ่งก็เป็นการบังเอิญพอ น, นอนนอนก็อยากจะอ่านประวัติศาสตร์เมื่ออ่านประวัติศาสตร์ก็อยากจะอ่านเรื่องของคุณเหล็ก ใ น, นเรื่องของพระนเรศวรมหาราชเมื่ออ่านไปก็ปรากฏว่ามีอารมณ์เคริม้ม <c oughs> เมื่ออารมณ์เคริ้มเกิดขึ้นก็เกิดภาพปรากฏเป็นชายรูปร่างหน้าตาสวยเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแข็งแรงคล้ายสตรีผิวกายนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนผิวดํา แต่ว่าดำกวัยคนหนึ่งซิ่งขาวกว่าที่ชาแบ้านเรียกว่าพระเจ้าพ่อท่าน เ, น, นเอกาทศรถแต่งสองท่านปรายกฏยกมือพนมบอกว่าที่อะไรเนอเจอดียุตตถีที่ทำกันปัจจุบันที่ทำโรคชงช้างนั้นความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชนช้าง แต่ที่ทำเจดีย์ไว้เป็นอนุสร น, นั่นใช่เจดีย์เก่าถ้าขุดลงไปกลางเจดีย์ผ้าใต้ผ้าพื้นดินจะมีเป็นอุมโมงค์ที่เก็บอาวุธยุทธาธีของพระมหาอุปราชแล้วก็จะมีแผ่นทองหนักประมาณ80ดสิบบาทแผ่จารึกประวัติศาสตร์ไว้เป็นหลักฐาน เรีนถามท่านว่าที่ยุทธาธีจริงๆอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าให้ตั้งศูนย์จากอำเภอศรีประจันต์ตัวอำเภอศรีประจันต์ไปที่ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปหกสิกิโลเมตรตั้งศูนย์เฉียงออกไปสิบห้าองศาเดินอีกไปอีกสิบกิโลเมตรหรือว่าหกกิโลเมตรน่าก็จะไปสิบกิโลเมตรพ่อมาได้จุดมา บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณ ร, รบกับพระจะัพระมหาอุปรัติที่เรียกวายุธาทีนี่เป็นประวัติศาสตร์ของผีที่คนเถียงกันพ่อก็ไม่รับรองเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครสามารถจะติดต่อกับผีได้ก็ถามผีดูพ่อเองเวลานั้นพ่อไม่ได้ติดต่อกับผีแต่ผีมาติดต่อกับพ่อยังไงยังไงพ่อก็เชื่อผีไว้ก่อน ว่าอาจจะจริงด้วยการเชื่อในที่นี้ถ้าเชื่อเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการง ม, มงาย <c oughs> ทางที่ดีก็อย่าหาเครื่องขยายมาดู ก, กันว่าใต้เจดียุตถีนะ่ะมีอาวุธของพระมหาอุป ร, ราชจริงหรือไม่แล้วก็มีแผ่นทองคำจารึกจริงหรือไม่ถ้าเราใช้การขุดก็โง่เกินไปวิทยาการ ความสามารถของไยวิทยาศาสตร์มีมากกระดูกในกายตับตอตับไตไส้ปลอดในกายเห็นได้แผ่นทองคําก็ควรจะเห็นได้และตัวหนังสือที่เขียนไว้ก็ควรจะเห็นได้เหมือนกันเป็นอันวา่าสําหรับสีประจันพ่อข้อบอกไว้แต่เพียงเท่านี้เดินทางเข้ามาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีพอรถเลี้ยวจาก ฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งตะวันตกเห็นวัดพระธาตแล้วก็มองเห็นวัดปลาหร่ๆตอนนี้ใจพอหายวาบ <c oughs> เพราะว่าปลากฏภาพของบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียวเป็นคนกลุ่มใหญ่แต่งตัวสวยสดสวยงามมาถึงก็ยกมือไหว้มองไปก็เห็นบ่คคนสำคัญนั่นก็คือคนช้าง คุณช่างท่านเป็นเทวดาเป็นเจ้าเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรียิ่งถามเรื่อุณช่างว่าให้หน้าตาของท่านนี่เวลานี้สวยแต่ว่าตามนิยายเขาบอกว่าท่านหัวล้านเม่งเข่งใช่ไหมให้คุณช่างเธอก็บอกว่าให้หัวล้านไม่รู้ว่าหัวไข่ แต่หัวผมจริงๆมันไม่ล้ายครับเป็นหัวเถกงามถ่อธรรมดาธรรมดาเท่านั้น่ทนท่านว่าสมัยนั้นเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ใช่ไหมท่านบอกว่าใช่แล้วก็รับราชยทธินานามเป็นขุนก็เป็นเรื่องน่าแปลกก็เลยถามว่าเรื่องของวันทองกับคุณแผงกับท่านนี่ดูแล้วมันเลวซามจริงๆ ก็อยากจะราบว่าเรื่องแห่งความเป็นจริงนะั้นมันเป็นยังไงเลวซางขนาดนั้นก็สนแสดงว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปลดูไมนว่าพระราชาไม่มีความหมายท่านขุนช้างฟังท่านก็ ย, ยิ้มท่าท่านบอกว่าคนจังไรมันแย่จริงๆเรื่องราวในคราวก่อนนี้ผมกับขุนแผน ไม่เคยมีเรื่องร้ายเพราะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่อยู่วัดเป็นเด็กๆแล้วต่อมาก็เป็นเพื่อนร้ำสบานร่วมกันถ้าผมบังเอิญจะไปยั่งเมยคุณแผนอย่างนั้นผมคิดว่าผมคงจะตายประเภทที่ว่าไม่ใครรู้ว่าตายแบบไหนจึงถาม่าเป็นเพราะอะไรถ่านก็บอกว่าคุณแผนนี่มีความรู้ร้ากาศมาก ถ้าปราถนายะฆ่าคนอย่างผมนี่มันไม่ยากไม่ต้องใช้อาวุธเป็นแต่เพียงแค่ดิบเอาต้นหญ้าขึ้นมาต้นเดียวต้องการให้ต้นหญ้านั้นเข็งฆ่าผมผมก็ตายแล้วลูกรักเวลานี้มองดูเวลาจะสามสิบนาทีเทศจะหมดหน้าขอยุติวาตเพียงเท่านี้สาหรับหน้านี้ ลูรักครอาฟังประวัติของตอนนี้ต่อไปเอาเป็น ป, ประวัติย่อนะหน้าที่สองต่อไปข้อความสุขสวัสิทิี่พัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี